วันนี้เป็นวันเสาร์ที่15เมษายนพุทธศักราช2566เป็นวันหยุดช่วงเทศกาลสงการานต์ขึ้นปีใหม่ของไทยก็มีการไปตามสถานที่ต่างๆพักผรนหย่อนใจ บางท่านก็ไปวัดเพื่อไปศึกษาไปปฏิบัติธรรมแล้วแต่ความคิดเห็นของแต่ละคนว่าการกระทาอย่างไรจะเป็นประโยชน์สุขกับตนถ้าได้ยินได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้รู้ว่าประโยชน์สุข ที่แท้จริงนั้นเกิดขึ้นจากการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจซึ่งการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจนี้จะทำให้เกิดความสุขความเจริญหรือเกิดความทุกข์เกิดความเสื่อมเสียให้แก่ผู้กระทา ผู้กระทาที่ทาทาความดีหรือทาบุญหรือทาบาปหรือทาความไม่ดีจะเป็นผู้ที่จะรับผลของบุญและของบาปนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ ส่งสอนตามหลักของกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมนี้แสดงไว้ว่าผู้ที่กระทำกรรมจะต้องเป็นผู้ที่รับผลของกรรมคำว่ากรรมนี้เป็นคำกลางๆไม่ได้หมายถึงบุญหรือหมายถึงบาปคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทำ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 ภาษ า, ท, าที่เราใช้คือภาษาไทยนี้เรามักจะใช้คำว่ากรรมนี้แทนคำว่าบาปกันแต่ความจริงแล้วตามหลักภาษาธรรมนี้คำว่ากรรมนี้เป็นเพียงคำแปลว่าการกระทาอย่างเดียวแล้วถ้าการกระทานั้นเป็นการกระทาที่ดีที่เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ผู้กระทาและแก่ผู้อื่น เราจะเรียกการกระทำนั้นว่าบุญในทางตรงกันข้ามถ้ากระทำไปแล้วเกิดโทษกับผู้อื่นและเกิดโทษกับผู้กระทำเองเราเรียกว่าบาปดัง<ม>นั้นบางทีต้องให้เราเข้าใจเวลาที่เราพูดถึงกฎแห่งกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่ากฎแห่งบาปนะหมายความว่ากฎของการกระทาทางกายทางวาจจและทางใจจะนำมาซึ่งผลต่อผู้กระทาทีนี้เราก็ต้องมาศึกษาดูว่าผู้กระทานี้เป็นใครกัน <c oughs> ผู้กระทาที่หมายถึงในกฎแห่งกรรม นี้หมายถึงใจไม่ได้หมายถึงร่างกายร่างกายนี้เป็นเพียงแต่เป็นผู้รับคำสั่งคือเป็นเครื่องมือแต่ไม่ได้เป็นผู้ที่กระทำผู้กระทำนี้คือใจผู้ที่สั่งให้ร่างกายกระทำอะไรต่างๆสั่งให้พูดอะไรต่างๆ ผู้สั่งนี่ะคือผู้กระทาคือมโนกรรมมโนกรรมก็คือความคิดเองเวลาเราคิดอะไรต่างๆนี้เรากาลังทำมโนกรรมกันอยู่เช่นวันนี้เราคิดมาวัดเนี่ยคิดมาฟังเทศฟังธรรมเราเป็นผู้ผู้คิดเป็นผู้สั่งให้ร่างกายพาเรามาฟังเทศฟังธรรมกัน เราต้องอาศัยร่างกายเหมือนกับร่างกายต้องอาศัยรถยนต์รถยนต์นี้ถ้าเราถ้าร่างกายต้องมาวัดร่างกายก็ต้องมีรถยนต์พามาร่างกายก็เป็นคนขับรถยนต์รถยนต์ก็พาร่างกายมาที่วัดแต่ผู้ที่ทาการเดินทางให้มา ที่วัดนี้ไม่ใช่รถยนต์รถยนต์นี้ถ้าไม่มีคนขับมันก็จะเคลื่อนไหวไปไหนไม่ได้รถยนต์มันกระทากรรมของมันเองไม่ได้ต้องมีคนสั่งให้มันกระทำดังนั้นขอให้เราเข้าใจว่าผู้กระทำนี้เหมือนกับผู้กระทากรรมทำบุญหรือทำบาปนี้คือใจส่วนร่างกายนี้เป็นเครื่องมือของใจ เหมือนกับรถยนต์คนขับคนขับรถยนต์ถ้าขับไปแล้วไปชนคนตายสมมติ mm hmm. เขาจะไม่เอาผิดรถยนต์ mm hmm. ตำรวจจะไม่มาจับรถยนต์ไปลงโทษแต่ตำรวจจะจับคนขับรถไปลงโทษเพราะรู้ว่ารถยนต์นี้ไม่ได้เป็นผู้กระทาเป็นเพียงแต่ผู้เป็นเครื่องมือของผู้กระทำเท่านั้นเอง ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคนขับนี้ไม่ได้เกิดไม่ผู้ที่รับผลไม่ใช่รถยนต์แต่ผู้ที่รับผลคือคนขับขับรถไปชนคนตายก็ได้รั บ, ร, บรับโทษต้องต้องไปใช้โทษติดคุกติดตารางหรือเสียค่าปรับถ้าไปขับรถแข่งแล้วได้รางวัลได้ใช้ชนะ เขาก็ไม่ได้ให้รางวาัลกับรถรถยนต์ที่ที่ชนะในการแข่งขันแต่เขาให้รางวาัลกับคนขับรถอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังว่าคนขับรถกับรถนี้ก็เหมือนกับใจกับร่างกายใจนี้เป็นผู้ขับร่างกายเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทําอะไรต่างๆสั่งให้วาจา ไม้พูดอะไรต่างๆกายกับ ว, วาจานี้ไม่ได้เป็นผู้กระทำผู้ที่กระทำคือใจยิงแต่ว่าใจนี้เป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นกันด้วยตาของร่างกายแต่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรอยู่น้ามปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังคิดอะไรกันอยู่ นี่แหละผู้ที่คิดนี่แหละไม่ใช่เป็นร่างกายผู้ที่คิดนี้เราเรียกว่าใจแล้วก็เป็นคนละคนกันด้วยเหมือนกับรถยนต์กับคนขับรถยนต์นี้เป็นคนละคนกันรถยนต์เป็นคนหนึ่งคนขับเป็นอีกคนหนึ่งแต่มาร่วมทำงานกันมาร่วมทำงานเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ตามความต้องการของคนขับรถยนต์คนขับรถยนต์ต้องการไป ที่สถานที่หนึ่งก็ขับรถยนต์ให้พาไปถึงสถานที่นั้นนี่คืออยากจะให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าผู้ที่กระทำบุญหรือกระทำบาปนี้ไม่ใช่ร่างกายและผู้ที่จะรับผลบุญผลบาปนี้ก็ไม่ใช่ร่างกายเราจะได้เข้าใจแล้วเราจะได้ไม่ สับสนเพราะบางทีเราไปมองที่ร่างกายว่าเป็นผู้กระทาและเป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทาแต่บางทีมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นถ้าเรามองไปที่ร่างกายเช่นคนที่ทำผิดกฎหมายแต่กลับได้ดิบได้ดีก็มีได้รับความเจริญ ได้รับรางวัลต่างๆได้รับได้รับเงินทองทำมาหากินด้วยวิธีช่อโกงนี้<ม>ก็ร่ำรวยกันได้และบางทีกฎหมายก็ตามไปไม่ได้ถ้าตามไปได้ก็บางทีก็ตามไม่ทันคนที่ทาผิดกฎหมายก็หลบหนีออกไปนอกประเทศได้อันนี้ เป็นเรื่องของการกระทาทางโลกทางร่างกายไม่ใช่เป็นเรื่องของการกระ ท, ทาทางใจที่เรียกว่ากฎแห่งกรรม mm hmm. การกระทาทางโลกนี้สามารถทำได้หลายวิธีทำโดยผิดกฎหมายก็ได้ทำโดยวิธีถูกกฎหมายก็ได้แล้วก็ผลที่ได้รับก็อาจจะได้ทั้งสองอย่าง คือทำผิดกฎหมายรวยก็ได้บางทีไม่รวยก็ได้บางทีทำผิดกฎหมายถูกจับเสก่อนเช่นไปปนทองแต่ไปถูกเจ้าของร้านยิงเอาบาดเจ็บต้องถูกต้งหน้าที่ตารวจจับเข้าคุกเข้าตารางไปแตบ่บางคนไปป้นทองแล้วก็หลบหนีไปได้ หลบนีออกงอกประเทศไปที่ประเทศเพื่อนบ้านได้ก็ไม่ถูกจับได้เงินได้ทองไปใช้นี่คือนี่ไม่ใช่กฎแห่งกรรมอันนี้มันกฎของทางโลกซึ่งทางโลกนี้อยู่ภายใต้กฎอีกอย่างที่เรียกว่ากฎของใจรักคืออา น, นิจังไม่แน่นอนทำทำบาปแล้วทำผิดกฎหมายแล้วล่ำรวยก็มี ทำถูกกฎหมายแล้วยากจนก็มีหรือรวยก็มีไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นเราอย่าเอาผลทางการกระทํทางทางโลกมาเป็นตัวตัววัดผลของการกระทําทางกฎแห่งกรรมทางก า, การกระทําของกฎแห่งกรรมนี้เกี่ยวข้องอยู่ที่ผู้กระทาคือใจเป็นส่วนเดียวเป็นหลัก ที่ท่านพูดบอกว่าทำบุญแล้วจะได้ไปสวรรค์นี่ทำบุญแล้วจะได้ความสุขนี่ผู้ที่ได้รับผลนี้ไม่ใช่ร่างกายเพราะร่างกายไปสวรรค์ไม่ได้ร่างกายทำมาจากดินน้ำนมไฟเวลาร่างกายตายไปร่างกายก็กลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟไปแต่ผู้ที่จะไปสวรรค์หรือไปนรกนี่ คือใจใจที่เรามองไม่เห็นด้วยตาของร่างกายเพราะใจเป็นเหมือนกับสัญญาณวิทยุโทรศัพท์เนี่ยเราใช้โทรศัพท์กันเราติดต่อกับคนนั้นคนนี้กันเราต้องใช้สัญญาณโทรศัพท์ไว้ติดต่อแต่เราไม่สามารถมองเห็นสัญญาณโทรศัพท์ที่เราใช้ติดต่อกับโทรศัพท์ของเครื่องอื่นได้แต่เรากลับสามารถเห็นหน้าตาได้ยินเสียง ของคนที่ใช้เครื่องอื่นได้อันนี้ก็เหมือนกันขอให้เราเข้าใจว่าใจนี้เป็นของที่ไม่มีรูปร่างหน้าตาเป็นเหมือนมนุษย์ล่องขนแต่มีอยู่เป็นผู้ที่คิดได้เป็นผู้ที่รู้ได้และเป็นผู้ที่สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆได้ผู้สั่งนี้แหละคือผู้กระทา ไม่ว่าจะเป็นการกระทาบุญก็ดีการกระทาบาปก็ดีใจนี้เป็นผู้กระทำและใจนี้แหละเป็นผู้ที่รับผลของของการกระทาของใจผ่านทางกายผ่านทางวาจาเช่ น, น, นไปฆ่าสัตว์นี่ก็ต้องใช้ร่างกายถ้าไปพูดโกหกหลอกลวงก็ต้องใช้วาจาอันนี้ ร่างกายและวาจานี้ไม่ใช่เป็นผู้กระทาเป็นผู้รับคำสั่งเป็นเครื่องมือเท่านั้นเองจึงไม่ได้เป็นผู้ที่รับผลบุญหรือผลบาปนะคือไม่ได้ไปใจร่างกายนี้ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปนรกนะไม่ได้ไปอบายร่างกายนี้มาจากธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปเวลาคนตายนะ สิ่งแรกที่ออกจากร่างกายก็คือลมหายใจลมหายใจไม่เข้าแล้วมีแต่ละมีตาออกอย่างเดียวตามด้วยน้ำตามด้วยธาตุไฟความร้อนร่างกายนี้เวลามีชีวิตอยู่มันจะมีความร้อนอยู่แต่พอร่างกายมันตายปั๊บนี้ร่างกายจะเย็นกว่าร่างกายของคนที่ไม่ตาย คนที่ไม่ตายไปไปจับร่างกายของคนตายนี้จะรู้สึกว่าร่างกายเขาเย็ยนกว่าเพราะธาตุไฟเริ่มออกจากร่างกายไปแล้วเหลือแต่ธาตุน้ำกับธาตุดินถ้าปล่อยทิ้งไว้ต่อไปธาตุน้ำก็จะไหลออกจากร่างกายไปจนปล่อยให้จนทำให้ร่างกายนี้แห้งกรอบไปส่วนที่แห้งกรอบเหนือนั่นก็คือธาตุดินนั่นเองอันนี้คือร่างกายที่ไปของร่างกาย ไม่ว่าร่างกายจะทำบุญหรือทำบาปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือร่างกายของมหาโจรก็ตามไปที่เดียวกันทั้งหมดน่างกายของคนทุกๆคนกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟเพราะทำมาจากดินน้ำลมไฟก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปถ้าเราไปมองที่ไปของน่่งกายว่าไปไปรับผลบุญผลบาปนี้เราก็จะ ไม่เข้าใจกฎแห่งกรรมแต่ถ้าเรามองไปที่ใจซึ่งเรามองไม่เห็นแล้วเมื่อเรามองไม่เห็นสิ่งที่เราต้องสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราต้องเชื่อคนที่มองเห็นเพราะเราเบียบเทียบกับคนที่มองเห็นนี่ก็เหมือนเหมือนคนตาบอดกับคนไม่ตาบอดถ้าเราหลับตาตอนนี้เราจะมองไม่เห็นอะไรเลยรอบข้างตัวเราว่ามีอะไรอยู่บ้าง มีคนเกี่คนมีต้นไม้มีอะไรนี่เราจะมองมองไม่เห็นเลยแต่คนที่อยู่ข้างๆเราถ้าเขาไม่หลับตาเขาจะมองเห็นทุกอย่างเขาก็จะสามารถบอกเราได้ว่าข้างหน้านั้นมีอะไรบ้างข้างหลังมีอะไรบ้างข้างๆมีอะไรบ้างแตพวกเราตอนนี้เกี่ยวกับเรื่องของใจนี้เราเป็นเหมือนคนตาบอดเรา เรามองไม่เห็นใจเพราะตาที่ใช้มองใจนี้มันยังถูกปิดอยู่เรามีตาสองชนิดนะตาของร่างกายและตาของใจตอนนี้เราใช้เพียงแต่ตาของร่างกายแล้วเราก็ไปปิดตาของใจเราก็เลยเห็นส่วนที่ร่างกายมองเห็นเท่านั้นเองแต่ส่วนที่ใจมองนี้มองไม่เห็นใจถึงมองไม่เห็นตัวเอง ใจถึงมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นนิพพานแต่คนที่สามารถที่จะเปิดตาในได้เปิดตาของใจได้เขาก็จะสามารถมองเห็นสิ่งที่มีอยู่ในใจของเขาสิ่งที่ใจโลกของใจคือโลกทิพย์จะเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นนิพพานได้ ผู้ที่เห็นสิ่งเหล่านี้ก็คือพระพุทธเจ้าและพระอานนทตัสาวกทั้งหลายนี่เป็นผู้ที่สามารถเปิดตาในของตนเองได้ตาในของตนเมื่อก่อนก็ก็ปิดอยู่ตาบอดมองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นนิพพานมองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดแต่พอได้ปฏิบัติธรรมที่เรียกว่าจิตตภาวนาเนี่ย ซึ่งเป็นวิธีการที่จะเปิดตาในให้สว่างขึ้นมาทำให้ทให้ตาในนี้สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆที่ตาของร่างกายไม่สามารถเห็นได้คือสามารถเห็นนรกเห็นสวรรค์เห็นนิพพานเห็นการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลกว่าสัตว์โลกที่ทำบุญแล้วตายไปแล้วไปเกิดเป็นอะไรสัตว์โลกที่ทำบาปแล้วตายไปไปทไปเป็นอะไรเนี่ย คนที่เปิดตาในได้แล้วนี้จะสามารถมองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้พวกเหล่านี้ถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติจิตภาวนาถึงขั้นที่เปิดตาไดเ้เราก็ยังจะมองไม่เห็นกันดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำกันก็ควรจะเชื่อคนที่ตาดีคนที่เห็นแล้วอย่างพระพุทธเจ้ากับพระอรังคสาวก นี่แหละที่ที่มาของความเชื่อในพระพุทธศาสนา mm hmm. เราควรจะเชื่อในสิ่งที่ผู้ที่เขารู้แล้วเห็นแล้วมาบอกเราเพราะว่าเรานี้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาของเราเอง mm hmm. แต่การเชื่อก็ไม่ได้ให้เชื่อแบบง ม, มงาย mm hmm. ไม่ให้เชื่อแบบเฉยเฉยท่านบอกว่ามีสวรรค์มีนรกมีนิพพานก็เชื่อแต่ไม่ไปพิสูจน์อย่างนี้ก็ไม่ถูก ทางพระพุทธศาสนาความเชื่อนี้ท่านให้เราเชื่อเพื่อเราให้เราออาไปพิสูจน์กับตัวเราว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นสิ่งที่ท่านนำม า, มาสั่งมาสอนพวกเรานี้เป็นความจริงทั้งนั้นและพวกเราสามารถพิสูจน์ได้ด้วยการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกได้ปฏิบัติกันก็คือการปฏิบัติจิตภาวนานั่นเอง นี่คือสิ่งที่พวกเราถ้าต้องการที่จะรู้ว่านารกมีจริงหรือไม่สวรรค์มีจริงหรือไม่นิพพานมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่เราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อแล้วก็ปฏิบัติมิดตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติถ้าเราได้ศึกษาแล้วได้ปฏิบัติตาม คำสอนที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติไม่ช้าก็เร็วตาในของเราก็จะเปิดขึ้นมาและมีดวงตาเห็นธรรมครําว่าการมีดวงตาเห็นธรรมก็คือการมีการเปิดตาในเพื่อให้เห็นธรรมที่ที่ละเอียดที่ตานอกคือตาของร่างกายไม่สามารถมองเห็นได้ น, นั่นเองก็คือนรกสวรรค์นิพพานการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆเหล่านี้ จะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเห็นกันได้ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระอรหันตสาวกเชื่อคำสอนของท่านแล้วปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของท่าน mm hmm. สิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราเชื่อก็คือให้เราเชื่อกฎแห่งกรรม mm hmm. ให้เราเชื่อว่าใจผู้กระทานี้ทําบุญหรือทำบาปจะต้องเป็นผู้รับผลของบุญและของบาป ถ้าทําบุญใจก็จะได้ไปสวรรค์ชั้นต่างๆจนถึงสวรรค์ชั้นชั้นนิพพานขั้นสูงสุดถ้าทําบาปใจก็จะต้องไปอบายไปเป็นเปรตเป็ น, ปนอสูรลกายไปนรกหรือถ้ากลับมาเกิดได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของเดะชะฉานนี่แหละคือหัวใจของคําสอนของพระพุทธศาสนาคือเรื่องของกฎแห่งกรรมนี่ว่า มีจริงและผู้กระทําก็มีจริงและผู้รับผลของกรรมก็มีจริงเพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นเท่านั้นเองเราไปกับกลับไปเห็นผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้กระทําที่แท้จริงก็คือเห็นว่าเห็นร่างกายเห็นการพูดเห็นการกระทําของร่างกายแต่เราไม่เห็นผู้ที่ไปรับแต่เราไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไปรับผลบุญผลบาปได้อย่างไร เพราะร่างกายของทุกคนเมื่อตายไปแล้วก็จะต้องไปสู่ดินน้ําลมไฟตายแปเอไปเอาไปฝังก็กลายเป็นดินน้ํา ก, อาออก็แยกออกไปไฟก็แยกออกไปลมก็แยกออกไปเหลือแต่ดินเอาไปเผาก็เช่นเดียวกันเผาก็เหลือแต่แต่ส่วนที่เป็นดินขี้เท่าเศษกระดูกส่วนเนื่อเก็ถูกแยกออกไปหมดเราก็เลย ไม่เข้าใจเรื่องกฎแห่งกรรมว่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่านรกมีจริงหรือเปล่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่า mm hmm. แต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่กระทําและผู้ที่รับผลคือใจผู้รู้ผู้คิดนี่ mm hmm. เป็นผู้ที่ไปรับผลบุญเป็นผู้ที่ไปสวรรค์หรือไปไปนิพพานหรือไปนรก mm hmm. เราก็จะสามารถพิสูจน์ได้ถ้าเราได้ศึกษาแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้เราวิธีที่จะทําให้เราพิสูจน์ได้นี้ก็เป็นหัวใจของคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไม่ว่าพระพุทธเจ้ารูปใดก็ตามที่มาตัดสั้แล้วมาประกาศว่าทำคําสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรานี้ท่านจะสอนวิธี วิธีพิสูจน์กฎแห่งกรรมว่าวิธีที่ทำให้เราเห็นกฎแห่งกรรมนันก็คือหนึ่งให้เราละการกระทำบาปทั้งปวงสองให้เราทำบุญทำกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อม 3. ให้เราชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดสิ้นไปแล้วเราก็จะได้เห็น ผลของการกระทาเหล่านี้ว่าทำให้จิตใจของพวกเรานี้เป็นอย่างไรเป็นสวรรค์ขึ้นมาเป็นนิพพานขึ้นมานั่นเองนี่คือนี่คือการพิสูจน์คาคำสอนเรื่องของกฎแห่งกรรมว่ามีจริงหรือไม่มีจริงทำบุญแล้วไปสวรรค์จริงหรือไม่ทำบาปแล้วไปเกิดในอบายจริงหรือไม่ถ้าเราทำปฏิบัติตามคำสอนแล้วเราจะเห็นผล แต่ถ้าเราไม่ปฏิบัติเรากย็ยังจะไม่เห็นผลเราก็ยังอาจจะลังเลสงสัยอยู่ว่าสวรรค์มีจริงหรือไม่นรกมีจริงหรือไม่การเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือไม่แต่ถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนแล้วรับรองได้ว่าเราจะได้เห็นความจริงของกฎแห่งกรรมว่าเป็นความจริง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วผู้ที่ทำและผู้ที่รับผลคือใจไม่ใช่ร่างกายร่างกายบางทีก็รับผลบางทีก็ไม่ได้รับผลก็มีบางทีทำดีแล้วไม่ได้รับผลดีก็มีทำชั่วแล้วได้รับผลดีก็มีเพราะฉะนั้นอย่าไปมองที่ร่างกายเพราะการกระทำของร่างกายนี้เป็นอยู่ภายใต้กฎอีกกรหนึ่งคือกฎของ กฎของอ น, นิจจังคือความไม่แน่นอนทำทำดีแต่ไม่รวยก็มีทำาชื่อกับรวยก็มีมันกลับกันเพราะมันไม่แน่นอนบางทีทำดีแล้วก็รวยก็มีทำาชื่อแล้วถูกจับไปติดทุกติดตารางก็มีเหมือนกันดังนั้นมันเป็นสิ่งที่มันมันเป็นไปได้ทุกรูปแบบถ้าเราไปมองที่ร่างกาย เพราะมันมีผลที่เราให้ให้เราเห็นได้ทุกรูปแบบบางคนทำความดีแล้วก็ไม่ได้ดีบางคนทำความชั่วแล้วกลับได้ดีได้ดีเนี่ยมันก็มีบางคนทำดีแล้วได้ดีได้ดีก็มีบางคนทำชั่วแล้วได้รับการลงโทษก็มีเหมือนกันงนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องของกฎแห่งกรรมอันนี้เป็นเรื่องของกฎของอนิจจังอันนี้อนิจจังทุกขังอนัตตานีขอให้เรามองไปที่กฎแห่งกรรมคือใจของเรา ใจของของพวกเราทุกคนนี้ไม่มีวันตายใจนี้เวลาน่างกายตายไปใจนี้แหละที่จะไปไปนรกไปสวรรค์ไปอบายไปนิพพานหรือไปไปเกิดใหม่คือใจดวงนี้และจะทำถ้าเราอยากจะไปดีเราก็ต้องทำบุญทำบุญชํารละชํารละกิเลสชํารละความโลดโกรธหลง แล้วใจของเราก็จะไปดีไปสวรรค์ไปนิพพานถ้าเราไม่ต้องการจะไปอบายไม่ต้องการไปนรกไปไปเป็นเปรต ไ, ไปเป็นอสุรกายไปเป็นสัตว์เดรัจฉานเราก็ต้องละ ก, การกระทําบาปนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราเชื่อกันให้เชื่อกฎแห่งกรรมและให้เชื่อคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้าเราต้องการที่จะทําให้จิตใจของเรานี้ ไปสู่สุขติหลังจากที่ตายไปแล้วและก็ให้มีความสุขในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เพราะผละของการกระทาทางใจนี้มันส่งผลทั้งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่และในขณะที่เราตายไปด้วยยกตัวอย่างการกระทำบาปนี้เวลาเราทาบาปแล้วนี้เราถ้าเราไปดูที่ใจความรู้สึกที่ใจ เราจะเห็นว่าใจไม่ค่อยรู้สึกไม่สบายใจเวลาเราไปขมโมยของของใครนี้เราจะรู้สึกไม่สบายใจว่าเรากลัวจะถูกจับถูกจับแล้วเดี๋ยวก็จะถูกเขาลงโทษหรือถูกเขาดา่าถูกเขาตาหนิถูกเขาประนามนั่นเองอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการกระทําบาปไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์เป็นการลักทรัพย์เป็นการประพฤติผิดประเพณี เป็นการพูดปลดโกโหกหลอกลวงการกระทําเหล่านี้เมื่อทําแล้วเบื้องต้นมันจะทํา จ, จะแสดงผลในใจของเราในใจของเราที่ยังที่ขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ทําบาปแล้วจะจะไม่สบายใจคำามาไม่สบายใจ ก, ก็คือความทุกข์ใจนี้เองจะทุกข์มากทุกข์น้อยก็อยู่บาปที่เราทําว่าเป็ น, น, ปนบาปนักหรือบาปเบา ถ้าเป็นบาปเบามันก็ทุกทุกน้อยหน่อยถ้าเป็นบาปหนักมันก็ทุกมากหน่อยอันนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําบาปใจเป็นผู้กระทําบาปน่าใจเป็นผู้รับผลของการกระทําบาปเกิดขึ้นทันทีในปัจจุบันคือความรู้สึกไม่สบายใจแล้วความไม่สบายใจนี้แหละมันเป็นตัวที่ทําให้เราเวลาไ ม, ไม่ใช่ความไม่สบายใจหมายถึงการกระทําบาปของเรานี่แหละ ถ้าเราทำสะสมไปเรื่อยๆเ่อไปเวลาเรานอนหลับเนี่ยเราจะเราจะฝันร้ายกันอันนี้ก็เป็นผลของการกระทำบาปอีกอีกอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่แต่เกิดขึ้นในขณะในช่วงที่เรานอนหลับกันเวลาที่เรานอนหลับนี่ถ้าเราฝันร้ายอยู่เรื่อยๆนี่มันเป็นการบ่งบอกว่าเราได้ทำบาปกันไว้เยอะ บุญไม่ค่อยมีเลยบุญไม่มีโอกาสโผล่ขึ้นมาแสดงผลเพราะบาปมันมีกำลังมากกว่านอนหลับแล้วชอบฝันลายอยู่เรื่อยอยนนี้ก็เป็นผลอีกผลหนึ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เบื้องต้นก็คือทำไปแล้วไม่สบายใจทุกข์ใจข้อที่สองเวลานอนหลับก็จะฝันลายอนนี้คือผลของ ของการกระ ท, ทําบาปนั้นหลังจากตายไปร่างกายตายไปก็จะไปเป็นเดรัจฉานถ้าไปเกิดก็ได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานถ้ายังเป็นดวงวิญญาณก็จะเป็นดวงวิญญาณที่หิวโหวยก็เรียกว่าเปรต ถ, ถ้าเป็นดว ง, ด ว, งวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความหวาดวกลัวก็เป็นอสูรร่กาย แล้วถ้าเป็นดวงวิญญาณที่มีความอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นก็จะเป็นนรกนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ร่างกายตายไปแล้วซึ่งก็เป็นแบบเดียวกับตอนที่ร่างกายนอนหลับนี่เวลาที่ร่างกายตายกับเวลาที่นอนหลับนี้ใจจะอยู่ในสภาพเดียวกันอยู่ในสภาพของของของความฝันจะฝันลายกัน เพียงแต่ว่ามันจะสั้นจะยาวต่างกันนั่นเองเวลานอนหลับนี้เรานอนเพียง8ชั่วโมงเราก็จะฝันร้ายไม่ไ ม, ไม่ไม่มากไปกว่า8ชั่วโมงแต่ที่ถ้าเราตายไปเนี่ยเราจะฝันร้ายไปเป็นปีเลยจนกว่าเราจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์การมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เหมือนกับเราตื่นขึ้นมาใหม่ เกิดขึ้นมากับร่างกายอันใหม่เพราะว่าตอนที่เราตายนั้นเราทิ้งร่างกายอันเก่าไปแล้วเราก็ไปอยู่ในโลกของความฝันถ้าฝันร้ายก็เรียกว่าไปอยู่ในอบายฝันเรื่องที่มีแต่เรื่องน่ากลัวเรื่องที่หิวโหยเรื่องที่มีแต่เรื่องฆ่าฟันต่อสู้กันอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นโลกของดวงวิญ ญ, ญาณ หลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราทำบาปกันมันจะทำให้ดวงวิญญาณของเราเนีอยู่ในสภาพของดวงวิญญาณที่ที่มีความทุกชนิดต่างๆทุกเพราะหิวโหวยทุกเพราะหวาดกลัวทุกเพราะเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทนี่แหละคืออบายที่พวกเราจะเห็นกันถ้าเราสังเกตดูและพิสูจน์ดูกัน ลองลองสังเกตดูเวลาที่เราทำบาปแล้วเรารู้สึกอย่างไรวันที่วันไหนที่เรานอนหลับแล้วเราฝันร้ายเนี่ยมันก็จะบอกเราเนี่ยอันนี้แหละคือผลของของการกระทำบาปของเราที่มันโผล่ขึ้นมาเป็นตัวอย่างเป็นสัมเปิลให้เราได้ดูเหมือนหนังตัวอย่างเท่านั้เองว่าต่อไปเวลาที่เราตายไปเนี่ยเราจะฝันร้ายไปเป็นเวลาอันยาวนานเลยเยฉะนั้นถ้าเรา ถ้าเราฝันร้ายอยู่ในตอนนี้เรายังมีเวลาแก้ไขได้วิธีแก้ไขก็คือเราไปล้างบาปไม่ได้แต่เราสามารถทําบุญให้มันมีกําลังมากกว่าบาปได้ถ้าเราทําบุญแล้วบุญมีกําลังมากกว่าบาปบุญมันก็จะเป็นผู้สแสดงผลก่อนต่อไปเวลาเรานอนหลับแทนที่เราจะฝันร้ายเราก็จะฝันดีถ้าเราทําบุญ มากกว่าทำบาปบาปอาบุญก็จะมีกาลังมากกว่าบาปเมื่อบุญมีกำลังมากกว่าบาปบุญก็จะก็จะส่งผลจ ะ, สะแสดงผลก่อนเวลานอนหลับก็จะฝันดีเวลาตายไปก็จะฝันดีไปเรื่อยๆจนกว่าจะตื่นขึ้นมากับร่างกายใหม่ก็คือเกิดมาเกิดใหม่อันนี้คือสิ่งที่เรายังทำกันได้ยังไม่สายเกินแก้ถ้าเราคิดว่า ใจของเรานี้มีบาปมากกว่าบุญนี้เรามาแก้กันได้คือเราไม่ได้ไปล้างบุญไม่ได้ไปล้างบาปเก่าบาปบุญนี้เราไปล้างมันไม่ได้มันจะต้องมันจะต้องส่งผลของมันก่อนมันถึงจะหมดกําลังไปถ้ามันยังไม่ได้ส่งผลมันยังมันยังไม่หมดกําลังเพียงแต่ว่าเราสามารถที่จะแก้ถ้าบาปมันมีกําลังมากกว่าบุญในตอนนี้เราเพิ่มบุญขึ้นให้มากๆ พยายามทำบุญให้มันมากให้บุญมีมากกว่าบาปให้ได้ถ้าเราทำบุญให้มีมากกว่าบาปได้ใจของเราก็จะส่งผลที่ดีให้กับใจเช่นยกตัวอย่างองคคริมาเนี่ยองคคริมานนี่ก็ฆ่าคนต้อง999คนทำบาปไว้มากมายแต่พอเจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็สอนองคคริมานว่าองคคริมานเธอฆ่าผิดตัว สิ่งที่เธอควรค่า ก, ก็คือกิเลส <Yeah. S 1> องคุลิมาหันกลับมาฆ่า ก, กิเลสจนตายหมด <Yeah. S 1> ใจขององคุลิมานก็เป็นใจที่ว่างจากความฝันทุกชนิด <Yeah. S 1> ใจขององคุลิมานก็เป็นนิพพานขึ้นมาทันที <Yeah. S 1> สามารถที่จะป้องกันไม่ให้กรรมเก่าปรากฏขึ้นมาได้ถ้าใจเป็นนิพพานขึ้นมาอ <Yeah. Yeah. S 1> นี้คือสิ่งที่เรายังทำกันได้แก้กันได้ ในขณะนี้ถึงแม้ในอดีตชาติเราอาจจะสะสมการกระทำบาปมาไว้มากมายและบาปเหล่านี้ยังไม่ได้ส่งผลก็ตามถ้าเรารู้ว่าเรามีบาปมากกว่าบุญวิธีสังเกตก็คือใจของเราจะทุกขมากกว่าสุขอันนี้ก็เป็นเป็นตัวบ่งบอกอย่างหนึ่งว่าใจของเรานี้มีบาปมากกว่าบุญหรือมีบุญมากกว่าบาปถ้าใจเราเย็นใจเราสบายมากกว่า ใจที่ทุกข์ร้อนวุ่นวายใจนี้ก็แสดงว่าเรามีบุญมากกว่าบาป mm hmm. ถ้ารู้ว่าความสบายใจนี้เกิดจากการทําบุญเราก็ทําให้มากขึ้นใจของเราจะได้เย็นมากขึ้นสบายมากขึ้น mm hmm. ในขณะที่เราตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่นี้ยังไม่สายเกินยังไม่สายเกินแกน่เราสามารถที่จะมาปรับใจของเราให้เป็นใจที่ดีได้น mm hmm. ถึงแม้ว่าในอดีตเคยทําให้ใจเป็นใจที่ไม่ดีมาก็ตามแต่เราถ้าเรายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยมนุษย์นี้เป็นพบเดียวชาติเดียวเท่านั้นที่สามารถมาปรับใจมาแก้ใจได้มาปรับใจที่ใจใจที่ไม่ดีให้กลายเป็นใจที่ดีได้และเช่นเดียวกันในทางตรงกันข้ามก็สามารถทําใจที่ดีให้เป็นใจที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่า มีความรู้ความฉลาดหรือมีความโง่ครอบงำคนที่ไปอยู่กับคนที่ไม่ฉลาดก็อาจจะถูกเขาครอบงำสอนให้เราไปทำบาป ก, กันทั้งๆ ท, ท, ที่เมื่อก่อนเราก็เราก็ทำบุญทำดีมาเรื่อยๆแต่พอเราไปอยู่กับกลุ่มของคนที่เขาทำบาป ก, กันเขาก็ดึงให้เราไปทำบาปเราก็อาจจะไปปรับใจที่ดีให้กลายเป็นใจที่ไม่ดีขึ้นมาก็ได้โดยที่เราไม่รู้สึกตัว เราคิดว่าการกระทําบาปเราได้ประโยชน์เราได้ประโยชน์ทางร่างกายได้ประโยชน์ทางราบยุศสรรเสริญแล้วก็ จ, จะทําตามเขาก็ได้อันนี้คือเรื่องของใจเรื่องของใจผู้ที่จะเป็นผู้กระทําทําบุญหรือทําบาปหน้าใจนี่แหละเป็นผู้ที่จะรับผลของการกระทําบุญหรือของการกระทําบาปดังนั้นตอนนี้ถ้าเราเชื่อเรื่องของกฎแห่งกรรมแล้วสิ่งที่เราควรจะ รีบทำการเสียก่อนที่เราจะตายไปก็คือเรารีบมาปรับใจของเราดีกว่า ป, ปรับใจของเราที่ยังไม่ดีพอให้มันดีมากขึ้นหรือปรับใจที่มันไม่ดีให้มันเป็นใจที่ดีขึ้นมาด้วยการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าสข้อนี้เองขอ้ขอข้อหนึ่งทั้งสอนให้เราละ ก, การกระทาบาปทั้งปวงบาปนี้ก็คือการฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีและการพูดปดอันนี้เรียกว่าเป็นการกระทำบาปเพราะทำแล้วทำให้เกิดโทษเกิดความเสียหายให้แก่ผู้อื่นนั่นเองเวลาเราไปฆ่าเราก็ไปสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ที่ถูกฆ่าเวลาเราไปลักทรัพย์เราก็ไปสร้างความเสียหายให้กับเจ้าของทรัพย์สินเวลาเราไปประพฤติผิดประเพณีไปยุ่งกับสามีภรรยาของผู้อื่น เราก็ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนเจ้าของของสามีหรือภรรยาเขาจะเขาก็จะทุกข์เขาก็จะเสียใจ <S <S ถ้าเราไปโกหกหลอกลวงเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์จากเขาไปโกหกหลอกลวงหลอกให้เขาเอาเงินมาให้เราแล้วเราจะเอาไปทําอะไรให้เขาแล้วความจริงไม่ได้ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าโกหกหลอกลวงเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปทรางความเสียหายเนี่ย การกระทาที่สร้างความเสียหายให้แก่ผู้เราเรียกวกาบาปอย่าไปทำแล้วนอกจากบาปแล้วก็ยังอย่าไปทาผู้ที่สนับสนุนให้เราทำบาปผู้ที่สนับสนุนให้เราทำบาปคือใครก็คืออบายมุขเองอบายมุกก็มีอยู่ห้าข้อด้วยกันคือหนึ่งการดื่มสุรายาเมาสองการเล่นการพนันสามการเที่ยวตามสถานบันเทิงต่าง สีความเกลียดคร้านและหาการครบคนที่ชอบอบายามุขเป็นนิดรอย่าไปคบกับคนที่เขาชอบเล่นการพนันเพราะเขาจะชวนเราไปเล่นการพนันถ้าเขาชอบดื่มสุราเขาก็จะชวนเราไปดื่มสุราถ้าเขาชอบเที่ยวเขาก็จะชวนเราไปเที่ยวถ้าเขาชอบชอบความเกลียดคร้านเขาก็จะชวนให้เราเกลียดคร้าน mm hmm. การกระทำสี่อย่างนี้ไม่มี ไม่ได้มีรายได้เข้ามามีแต่รายจ่าย<ฮ>เมื่อเราเที่ยวเมื่อเราทำมันบ่อยๆต่อไปเงินทองที่เรามีมันจะไม่พอใช้<ฮ>แล้วพอเราไม่พอใช้เราก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีม่ชอบ<ฮ>ด้วยวิธีทำบาปไปรักทรัพย์ไปป้นไปจี้ไปโกหกหลอกลวงหรือบางทีก็ถึงกับการไปข้าฟั น, นพูดเพื่อให้ได้ทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง ของผู้อื่นมาเป็นของตนเองนี่คือผู้สนับสนุนการกระ ท, ทําบาปถ้าเราไม่เสบอบายามุกนี้จะโอกาสที่จะทําบาปนี้มันไม่มากเท่ากับผู้ที่เสบอบายามุกเพราะเราไม่มีคำจําเป็นที่จะต้องไปฆ่าไปลักทรัพย์ของผู้อื่นเพราะเราสามารถที่จะบริหารรายได้ของเราให้พอเพียงกับรายจ่ายแต่ถ้าเราไปเสบอบายามุกนี่ เราจะไม่สามารถบริหารรายรับกับรายจ่ายให้มันพอดีกันได้เพราะรายจ่ายมันจะมากกว่ารายรับแล้วเพื่อรายจ่ายมันมากกว่ารายรับมันก็จะทำให้เราต้องไปทำบาปเพื่อที่จะเพิ่มรายรับขึ้นมาเพื่อที่จะได้มาใช้จ่ายตามที่เราต้องการนั่นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนว่าอย่าไปเสพอบา ย, ยามุข ว่าการเสบอบายยมุกนี้เป็นเป็นเหมือนกับการไปเดินอยู่ไปเดินอยู่ที่หน้าประตูของอะบายนั่นเองคำว่ามุกนี้แปลว่าทวารทางเข้าออกอะบายยมุกก็คือทางเข้าออกของอบายถ้าเราไปเสบอบายยมุกนี้แสดงว่าเรากําลังไปอยอยู่ที่หน้าประตูเมื่ออยู่หน้าประตูโอกาสที่จะเข้าไปในประตูมันก็ง่ายง่ายกว่าคนที่อยู่ไกลจากประตูนั่นเอง เฉั้พยายามอยู่ห่างจากประตูของอบายอย่าเข้าไปอบายเพราะอบายเป็นที่อยู่ที่มีแต่ความทุกข์ร้อนใจไม่มีความสุขใจเราะฉนั้นพระพเจ้าทรงสอนให้เราละ ก, การกระทําบาปทั้งปวงไม่ให้ทําบาปก็คือไม่ให้ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเพณีไม่ให้พูดปดโกหกหลอกลวงแล้วก็ไม่ให้ดื่มของบุญเมาเพราะเวลาดื่มของบุญเมาแล้วจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ เวลาคิดที่จะทำร้ายผู้อื่นเวลาที่จะด่าผู้อื่นก็จะยับยั้งไม่ได้สังเกตดูคนที่คนที่ดื่มชุราครับเวลาที่ไม่ดื่มชวราคนคนเดียวกันนี้กลายเป็นคนละคนไปเลยคนบางคนเวลาไม่ดื่มชุรานี่สุภาพเรียบร้อยแต่พอดื่มชุ ر านี้พูดวาจาหยาบคายอันนี้พิษของสุดายามเมาเพราะเมื่อเสพไปแล้วจะทำให้มีอาการมึนเมาขาดสติ ไม่สามารถที่จะควบคุมการพูดการกระทาของตนเองได้นั่นเองถ้าคิดไม่ดีก็จะพูดไม่ดีทำไม่ดีออกมา ท, าทันทีนี่คือเรื่องของการกระทำบาปการละการกระทำบาปถ้าเราไม่ทําบาปแล้วเราก็จะไม่มีวันที่จะไปอบายได้เพราะเหตุที่ทำให้เราไปเป็นเปรตเป็นอสูรละกายไปนรกหรือไปเกิดเป็นเดรัจฉานนี้ก็อยู่ที่การกระทำบาปสี่ข้อนี้ การค่าศาสตร์การลักทรัพย์การประพฤติผิดประเพณีการพูดปดและการกระทำบาปที่จะทําให้ง่ายขึ้นก็คืออบายมุกอบายมุกก็เป็นผู้สนับสนุนในการทําบาปให้มันง่ายขึ้นคือการดื่มชราการเล่นการพนันการเที่ยวการความเกียจค้านและการไปคบคนที่ชอบอบายมุกเป็นมิตรนี่คือสิ่งที่เราต้องพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้อย่าเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย มองให้มันเห็นว่าเป็นเหมือนไฟก็แล้วกันไฟที่มันเมื่อเราไปแตะแล้วมันจะเผาเรามันจะทำให้มือของเราไหม้่อย่าไปแตะไฟเรารู้ว่าไฟมันร้อนมันเป็นพิษเป็นภัยกับใจของเรามันจะเป็นตัวที่จะดึงเราใจของเราให้ไปสู่อบายตายไปเราก็จะไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งในสี่อย่างเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นนรกบ้าง การที่เราไปเป็นสี่อย่างนี้มันก็มีเหตุให้เป็นไปเหมือนกันคือเหตุที่พาให้เราไปเป็นเดรัจฉานก็คือทำบาปด้วยความหลงหรือความไม่รู้ว่าเป็นเป็นเป็นบาปนั่นเองเช่นผู้ที่ทำมาชีพเลี้ยงเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตนเองด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายหรือเป็นเพชฌฆาดอะไรทานองนี้เพื่อเป็นการนำลงชีพ เราคิดว่ามันเป็นเรื่องของการเลี้ยงชีพมันจำเป็นมันก็จะไปเป็นเดรัจฉานเพราะว่ามันเป็นคุณสมบัติของเดรัจฉานนั่นเองสัตว์เดรัจฉานเขาก็อยู่ได้ด้วยการไปฆ่าสัตว์ตัวอื่นไปกินสัตว์ตัวอื่นสัตว์ใหญ่กินสัตว์น้อยมาะเขาถึงอยู่กันเมื่อมนุษย์มาทําแบบเดียวกับสัตว์เดรัจฉานใจของเขาก็กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปพอเวลาตายไป แทนที่เวลามาเกิดได้ร่างกายก็จะได้ร่างกายของมนุษย์ก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทนไปเป็นแมวบ้างเป็นสุนกสุนักบ้างเป็นเป็ดเป็นไก่บ้างเป็นวัวเป็นควายบ้างเป็นต้นเพราะใจเป็นเหมือนเป็นเดรัจฉานอยู่ดำรงชีพด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนั่นเองนี่นี่เกิดที่ไปของผู้ที่ที่กระทําบาปด้วยด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ ก็ไปเกิดเป็นเดลชาญถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากร่ำอยากรวยอยากมีมากๆถ้าทำอาชีพสุดจริตแล้วมันได้ไม่มากพอกินเงินเดือนไม่พอใช้ต้องไปช่อโกงไปลักทรัพย์หรือไปรีดไถอะไรต่างๆวิธีการต่างๆพวกนี้เรียกว่าทำบาปด้วยความโลภตายไปดวงวิญญาณก็จะไปเป็นเปรตเปรตก็คือดวงวิญญาณที่มีแต่ความหิวโหย ไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มไม่มีความพอเพราะความโลภมันทำให้ใจมันหิวโหยอยู่เรื่อยๆได้อะไรมาเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พ อ, อ น, นี่คือเหตุที่ทำให้ดวงวิญญาณเป็นเปรตก็คือกระทำบาปด้วยความโลภส่วนพวกที่ทำบาปด้วยความกลัวกลัวว่าจะถูกเขาทำร้ายก็เลยไปทำร้ายเขาก่อนเช่นไปเห็นงูก็ฆา ง, งูเลยเห็นสัตว์เลื้อยคานมาก็ฆ่ามันเลยเห็น มแมลงสัตว์กัดต่อยก็ไม่อยากให้เขามากัดเราเราก็เลยฆ่าเขาก่อนเพราะกลัวกลัวว่าจะเขาจะมาทําร้ายเราพวกนี้ก็จะไปเป็นดวงวิญญาณที่มีแต่ความหวาดตัวเวลาที่ตายไปพวกนี้เขาเรียกว่าอาสุดละกายแล้วพวกที่สี่พวกที่ทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทเคียดแค้นฟันต่อฟันตาต่อตาใครทําร้ายเราเราต้องตอบโต้ อย่างแสนสาหัสอย่างนี้โรงนี้ก็จะไปเป็นไปนรกกันโรงนี้จะเป็นดวงวิ ญ, ญญาณที่มีแต่ความต่อสู้กันอยู่เรื่อยๆต่อสู้กับคนนั้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อเอาชัยชนะมาให้ได้อันนี้แหละคือดวงวิ ญ, ญญาณที่เรียกว่านารกคือจะฝันเกี่ยวกับเรื่องการต่อสู้กันฆ่าฟันกันอยู่เรื่อยๆเพราะว่าโลกของดวงวิ ญ, ญญาณก็คือโลกของความฝันนี่เอง ัลแต่เรื่องที่ไม่ดีต่างๆนี่คือผลที่จะเกิดขึ้นถ้าเรากระทำบาปกันแต่ถ้าเราละเว้นการกระทำบาปได้ไม่เสพอบา ย, ยมุกได้เราก็จะไม่ต้องไปรับผลบาป น, นี่ถ้าสมมติถ้าเราตายไปถ้าเรายังไม่ได้ทำบุญเลยไม่มีบุญเลยเราก็จะไปเป็นมนุษย์ต่อ ท, ทันทีแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้ทําบุญกัน เราก็จะไปสูงกว่ามนุษย์ได้ถ้าเราทำบุญเสียสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองทำบุญทำทานอยู่เรื่อยๆใจของเราก็จะขึ้นสู่ระดับที่ระดับของสวรรค์ของชั้นเทพนีทำบุญทำทานนี้แล้วรักษาศีลคือไม่ทำบาปไม่ทำบาปก็ปิดประตูบายแล้วก็ทำบุญ ถ้าไม่ทําบาปแล้วทําแต่บุญบุญมันก็จะมีกําลังมากกว่าบาปพอตายไปบุญก็จะส่งผลขณะที่อยู่ก็ส่งผลให้ใจมีแต่ความสุขนอนหลับก็ฝันดีเวลาเวลาตายไปก็ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพแล้วถ้าเราอยากจะขึ้นไปสู่สวรรค์ที่สูงกว่านั้นเราก็ต้องทําบุญที่มากขึ้นไปกว่านั้นบุญที่เราจะต้องทําก็คือการชำระใจของเราบุญบุญที่เกิดจากการ กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้มันเบาบางลงและให้มันหมดสิ้นไปวิธีที่ทำให้ความโลภโกรธหลงนี้มันน้อยลงไปเบาลงไปก็คือวิธีจิตตะภาวนานั่นเองเราก็ต้องมาศึกษาวิธีทำใจให้นิ่งให้สงบเรียกว่าส ม, มะถะภาวนาแล้วก็ศึกษาวิธีทำให้ใจฉลาดคือวิปัสสนาภาวนา ให้เห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงว่ามันจะนําพาเราไปสู่ความทุกข์พาเราไปสู่ความวุ่นวายใจต่างๆ น, นี่คือสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าชั้นเทพก็คือสวรรค์ชั้นพรมและสวรรค์ที่สูงกว่าสวรรค์ชั้นพรมก็คือสวรรค์ของพระอริยบุคคลสวรรค์ของพอระอรหันต์สวรรค์ของพระพุทธเจ้าคือสวรรค์ชั้นนิพพานนี้ จะไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพานได้รืไม่นี้ต้องทําจิตภาวนาสองระดับด้วยกันระดับแรกเรียกว่าสมถภาวนาทําจิตใจให้สงบระดับที่สองเรียกว่าวิปัสสนาภาวน า, า, วนาทําจิตใจให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นไตรลักษณ์สอนใจให้เห็นอริยสัจสี่ให้เห็นไตรลักษณ์แล้วก็จะทําให้ใจขึ้นไปสู่ระดับพระอริยเจ้าไปสู่พระนิพพานต่อไปอันนี้เป็นสิ่งที่ พระเจ้าทรงสอนข้อแรกก็คือให้ละการกระทําบาปทั้งปวงเมื่อเราละได้แล้วก็ให้มาทําบุญกันทําบุญให้มากๆมีเท่าไหร่มีเงินทองมีเหลือเฟือเท่าไหร่อย่าเก็บเอาไว้ตายไปก็ไม่เป็นประโยชน์อยู่ก็เก็บไว้เฉยๆก็ไม่เป็นประโยชน์ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาเงินทองที่ที่เหลือนี้ที่เราไม่จําเป็นจะต้องใช้หรือต้องเก็บไวน้นี้เอาไปทําบุญทําทานกัน นอกจากการทำบุญด้วยเงินทองแล้วเราก็ทำบุญด้วยวิธีอื่นได้เช่นเวลาเราทำบุญแล้วก็แบ่งบุญได้อุทิศบุญให้กับผู้ที่ล่วงรับไปได้ก็ได้บุญอีกชั้นหนึ่งหรือถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะมาทำบุญแต่เรามีเวลาเราก็ไปทำความดีด้วยการเป็นอาสาสมัครต่างๆก็ได้ไปช่วยงานต่างๆช่วยงานวัดช่วยงานการกุศลต่างๆอย่างนี้เราก็ได้บุญ ยกระดับจิตใจของเราให้เป็นเทพจากมนุษย์ให้ขึ้นมาเป็นเทพได้ถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่าเทพเราก็ไปอยู่วัดกันไปถือศีลแปดแล้วก็ไปหัดนั่งสมาธิกันเรียกว่าเป็นการไปเจริญสมมถะภาวนาทําใจให้สงบถ้าเรารักษาศีลแปได้ฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นฌานขึ้นมาได้ให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาได้เราก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหม แล้วนะถ้าเราอยากจะขึ้นสูงกว่าระดับชั้นพรมเราต้องการขึ้นสู่ระดับพระอริยะบุคคลขึ้นไปเป็นพระสวสดาบาลพระสกิรดาคามีพระนาคามีพระอรหันต์พระนิพพานเราก็ต้องปฏิบัติทำขั้นสูงสุดก็คือขั้นวิปัสนาวิปัสนาภาวนาคือการศึกษาอริยสัจสีการศึกษาายลักให้เราเข้าใจ หลักของอริยสัจสี่ 4, ว่าทุก์ที่เกิดจากการมาเกิดมาเวียนว่ายตายเกิดนี้เกิดจากความอยากในการมาทันหาภาวะทันหาวิภาวะทันหาอยากในการอยากเสพชาญอยากจะเสพรูปประชานอยากจะเสพอารูณประชานถ้าเรายังมีความอยากเหล่านี้อยู่ในใจมันก็จะดึงให้เรากลับมาเกิดในตายภพ ถ้าเรามีกามาตนามันก็จะดึงให้เรามาเกิดในกามาภพถ้าเรามีภาวะตัณหาคือความอยากเสบรูปประชานเราก็จะมาเกิดในสวรรค์ชั้นโคมชั้นรูปประพรมถ้าเรามีวิภาวะตัณหาคือความอยากจะเสกรูปประชานเราก็จะกลับมาเกิดในสวรรค์ชั้นอรูปประพรมยังไปไม่ถึงพระนิพพานถ้าเราต้องการจะให้ไปให้ถึงพระนิพพาน เราก็ต้องตัดความอยากเหล่านี้เลิกเศษรูปเสียงกลิ่นรสเลิกเศษรูปประชานเลิกเศษอรูปประชานพอเราเลิกเศษเหล่านี้ได้ใจของเราก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในใจพบอีกต่อไปไม่ต้องกลับมาเกิดในกายมาพบพบของมนุษย์ของเทวดาของเปรตของเดรัจฉานไม่ต้องกลับมาเกิดในรูปประพบพบของรูปประพรมไม่ต้องกลับมาเกิดในอรูปประพบพบของอรูปประพรม ผู้ที่ไม่มาเกิดก็จะอยู่ที่พระนิพพานนี่พระนิพพานก็คือที่อยู่ของพระอรหันต์สาวกและที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเป็นที่อยู่ที่ดีที่สุดสําหรับจิตใจเพราะที่นั่นไม่มีความทุกข์มีที่เดียวเท่านั้นที่ไม่มีความทุกข์ก็คือที่พระนิพพานแต่ถ้าไปอยู่ในตใจพบแล้วจะต้องมีความทุกข์จะต้องมีความทุกข์เพราะว่าพบเหล่านี้เป็นพบที่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นอย่างนี้จัง เมื่อเวลามันเสื่อมก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมามาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกกับความแก่ความเจ็บความตายเป็นพรก็ต้องเสื่อมจากพร เ, เป็นเทพก็ต้องเสื่อมจากเทศการเกิดในตายรพนี้จึ่งถือว่าเป็นความทุกข์ถ้าไม่อยากจะมีความทุกข์เลยก็ต้องไม่มาเกิดเลยการไม่มาเกิดเลยก็ต้องทาใจให้ไปถึงพระนิพพานให้ได้ ด้วยการปฏิบัติทำสามข้อที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติกันก็คือให้ละการกระทำบาปทั้งปวงให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมแล้วก็ให้ําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญจิตภาวนาที่มีอยู่สองท่านก็คือสมรสภาวนาทําใจให้สงบวิปัสนาภาวนาถนใจให้ฉลาด สอนใจให้เห็นใจรักให้เห็นอริยสัจสิ่งถ้าเห็นแล้วก็จะรู้ว่าสิ่งที่ต้องกําจัดก็คือกิเลสตัณหาความโลภความโกรธความหลงอย่าไปทําตามความโลภความโกรธความหลงแล้วใจก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในตายภพไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายต่อไปใจก็จะอยู่ที่พระนิพพานไปตลอดที่มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวไม่มีความทุกข์อยู่ในใจเลย นี่คือผลที่เราจะได้จากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมกันมาได้ยินได้ฟังเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องของผู้ที่กระทำกดผู้ที่กระทาบุญรัเลือกระทำบาปคือใจและผู้ที่จะไปรับผลของการกระทำบุญของการกระทำบาป ก, ก็คือใจเช่นเดียวกันใจนี้แหละที่จะไปอบายก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนิพพานก็ได้ขึ้นอยู่กับการกระทาของใจเพียงอย่างเดียว ไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครทั้งนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธเจ้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับพาาระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้าพาาระอรหันตสาวกนี้ไม่สามารถทําใจของพวกเราให้ไปสวรรค์ไปนิพพานได้ต่อให้ไปกราบไหว้ขอพรอกี่แสนครั้งกี่ล้านครั้งก็ไม่ได้ผลเพราะว่าผลที่จะเกิดนี้มันต้องเกิดจากการกระทำของเราเองอย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพานก็ต้องละการกระทำบาปให้ทําบุญทํากุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้ชาระใจให้สะอาดบริสุทธิ์เท่านั้นแหละมันก็จะพาให้ใจของเราไปถึงนิพพานได้และใจนี้ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นใจของผู้ผู้หญิงหรือใจของผู้ชายใจของเด็กหรือใจของผู้ใหญ่ใจของพระหรือใจของคารวะไม่สําคัญเป็นใจเหมือนกัน และสามารถกระทำถ้าสามารถทำตามที่พระเจ้าทรงสอนได้คือไม่ทำบาปทำแต่บุญทำละใจให้สะอาดบรยสุทธได้<ม>ก็ไปนิพพานได้กันทุกคนทุกใจทุกดวงไม่ได้ขึ้นอยู่ที่เพศอยู่ที่วัยบางคนคิดว่าเราเป็นผู้หญิงเราไปไม่ได้อันนี้เป็นความเข้าใจผิดใจของผู้หญิงกับใจของผู้ชายเหมือนกันสามารถละบาปได้เหมือนกันสามารถทาบุญได้เหมือนกัน สามารถละกิเลสทำโลร esa, คทำโกรธทำหนองได้เหมือนกันอยากไปมองที่เพศแล้วเราจะทําให้เรามีมีความน้อยใจหรือว่ามีความมีผมได้แล้วจะทำให้เราไม่อยากจะทําเพราะคิดว่าเราทุกคนเหมือนกันหมดพวกเราทุกคนมีดวงใจเหมือนกันหมดดวงใจที่รู้ที่คิดได้เหมือนกันหมดดวงใจที่สามารถละบาปได้ดวงใจที่สามารถทํา บ, บุญได้ดวงใจที่สามารถภ า, าถวนาเพื่อทําใจ เพื่อชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์ได้เหมือนกันทุกใจไม่มีไม่มีข้อแตกต่างกันเลยขอให้เรามองอย่างนี้เราจะทาให้เรามีกาลังใจไม่ว่าเราจะเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นนักวชหรือเป็นคารวาสนี้มันไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญก็คือให้รู้ว่าใจของพวกเราทุกคนนี้สามารถทำทำตามที่พทะเจ้าทรงสอนได้ทุกคนถ้าเราจะตั้งใจจะทากันเท่านั้นเองคือละบาป ทำบุญแล้วก็ทำระใจให้สะอาดบอยสุดอยู่ที่ความตั้งใจของเราอยู่ที่ความแน่วแน่ความเชื่อมั่นในสิ่งที่ผู้เจ้าทรงสั่งสอนเพราะผู้ที่ได้ไปถึงพระนิพพานนี้มีทุกเพศทุกวัยในสมัยพุทธกาลนี้มีทั้งมีทั้งพระมีทั้งคารวะมีทั้งหญิงมีทั้งชายมีทั้งเด็กมีทั้งผู้ใหญ่มีทั้งคนจนมีทั้งคนรวย ไปได้หมดทุกคนถ้ามีความปรารถนาและทำตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทท้งนั้นนี่คือเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเลหาปุราบาริปุเรนติสาขลางังเอวเมวาอิโตทินางเปตานางังอุป ก, ะกะปะติ อิติตังปฏิตังตุมหังทิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกาปะจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุ สัพโลวินาสตุมาเตภวตวันตระโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนศีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจารุธรรมวทันติอายุวันโอสุขังภาลัง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 กราบเรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมาน้ากุตจากทางเฟ e บุ๊กพระอาจารย์สุชาติ427ท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์204ท่าน YouTube ดรว81วิทยุออนไลน์5ครับเฮาส์10นากุต146รวมทั้งหมด973ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญได้เลยเชิญถามได้เลย คำถามจากผู้รับฟังน้กุดค่ะกลับเรียนถามพระอาจารย์สองข้อค่ะข้อแรกถ้าเรานั่งกรรมาฐานรู้สึกว่าจิตละกายแยกจากกาันกายนั่งอยู่แล้วจิตควรจะไปที่ไหนเจ้าคะจิตก็อยู่กับการภาวนาไปเราภาวนาพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปถ้าเราดูลมก็ดูกลมไปจนกว่าจะไม่มีลมไม่มีพุโทโธก็อยู่กับความว่างไป อย่าอยู่กับความคิดอย่าปล่อยให้คิดต้องหยุดความคิดถ้าไม่มีอะไรแล้วข้อที่สองเวลาเราเดินเรารู้สึกร้อนแล้วเหนื่อยเราจะรู้ตัวว่าเดินอยู่หรือรู้ว่าร้อนและเหนื่อยอยู่คะได้ทั้งนั้นแหละข้อสําคัญก็คืออย่าให้ใจเราคิดก็แล้วกันคําถามจะผู้เราฟังนะกุฎอีกท่านค่ะ ผู้ที่ทำความดีทำบุญทำทานบ้างนั่งสมาธิพระพฤทธตนอยู่ในศีลห้ามไม่ได้ขาดแต่ไม่เชื่อในพระพุทธศาสนาเลยเมื่อตายไปเขาจะไปไหนคะได้เป็นเทวดาหรือเป็นพรหมด้วยหรือไม่คะก็ตามบุญตามบาปที่ทำไว้ถ้าบุญมากกว่าบาปก็ไปเป็นเทพถ้าบาปมากกว่าบุญก็ไปอาบายถ้าภาวนาได้ทาใจให้สงบเป็นสมาธิได้ก็ไปสวรรค์ชั้นพรหมได้ ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติค่ะคำถามจาก y o u t u b ปพระสุชาติค่ะน้อมกราบสาธุค่ะกราบเรียนถามว่าถ้าหัวคะแนนมาแจกเงินช่วงเลือกตั้งแต่เราไม่เลือกเขาเราจะผิดหรือมีกรรมต่อกันหรือไม่คะแต่เราไม่ได้รับปากว่าเราจะเลือกเขาเขาอยากให้เองค่ะก็มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอ ไปทำมันทำไมก็อย่าไปรับเงินเขาเราจะเลือกอะไรใครมันเรื่องของเรา ค, คำถามจาก YouTube พระสุชาติไลฟ์ค่ะตอนนี้ชัดเจนแกแน่แกใจแล้วว่าขันทั้งห้ามีทุกอย่างอยู่ในไตรลักษณ์พิจารณาทุกอย่างเป็นอนุโลมปฏิโลมอยู่เนืองๆพยายามละตัญหาแต่กระผมชอบเดินเล่นในกายทิพย์จะผิดบาปอย่างไรหรือไม่รบกวนสอบถามครับ อะไรกายทิพนะชอบเดินเล่นอยู่ในกายทิพเป็นยังไงเดินเล่นอยู่ในกายทิพเดินไ ม, ไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจเหมือนกันค่ะก็ <c oughs> ให้เราเห็นตายรักแล้วก็ตัดความอยากในสิ่งที่เป็นตายรักเพราะถ้าเราไปอยากได้มาแล้วเดี๋ยวเราจะทุกข์เพราะว่ามันเป็นของไม่ไม่แน่นอนไม่ถาวรให้พยายามตัดทุกอย่างอย่าไปมีความอยากกับลูกเสียงกลิ่นรดอย่าไปยามมี อยากมีลาบยศสรรเสริญอยาาไปอยากมีใครมาเป็นแฟนอะไรต่างๆเหล่านี้ต้องตัดความอยากให้หมดไปอยู่โดยปราศจากความอยากได้นั้นเป็นความสุขที่สุดค่ะคำถามจากคุณดิมเบลิลค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์หากถือสินแปดอยู่ที่บ้านแล้วต้องทำกับข้าวให้คนที่บ้านทานการชิมอาหารที่ทำเพื่อดูรสชาติพอดีไหมแบบนี้จะทาผิดสินข้อที่หกหรือไม่เจ้าคะ จะว่าผิดก็ไม่ผิดต่ว่าถูกก็ไม่ถูกทีเดียวเพราะยังเพราะยังมีการกินอยู่แต่ก็ถือว่าเป็นการการกินเพียงนิดเดียวถ้าจะผิดก็ผิดนิดเดียวระวังมันชิมแล้วมันติดใจทนไม่ไหวขอกินทั้งชามเลยคำถามจากคุณลองทีมค่ะได้ฟังคำตอบพระอาจารย์เมื่อวานท่านพระอาจารย์มาบวช ได้ฟังคำตอบจากพระอาจารย์เมื่อวานนี้ท่านพระอาจารย์มาบวชพระมาหาความสุขที่แท้จริงเพราะเหตุใดพระอาจารย์จึงคิดว่าความสุขทางโลกคือสิ่งที่ไม่เที่ยงครับก็มันไม่เที่ยงแหละได้มาแล้วก็เดี๋ยวก็หมดไปตอนที่เรียนหนังสือพอเรียนจบก็แหมดีใจดีใจไม่กี่วันมันก็ทุกข์ใจเรื่องใหม่เข้ามาลวเรื่องต้องหางานทำนะพอได้งานก็ดีใจแล้วก็มาทุกข์ใจกับการทางานเนี่ย มันไม่มีความสุขที่ ย, ยั่งยืนนะ่มันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปแล้วก็มีเรื่องใหม่เข้ามาให้เราทุกข์ใจอยู่เรื่อยๆคำถามจากทางย t u b e ค่ะขอถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเรามีความคิดเห็นผิดแวบแรกจะคิดจะวางอย่างไรให้ถูกต้องคะเห็นแล้วผิดแรกๆอนะ มีความเห็นความคิดเห็นผิดแว บ, บขึ้นมาแวบบแรกแล้วจะวางยังไงต่อไปก็อย่าไปสนใจมันถ้ารู้ว่ามันผิดแล้วก็อย่าไปทําตามมันก็แล้วกันเช่นถ้าเราไปคิดว่าโลกนี้แบนเราก็รู้มันไม่ใช่ความจริงแล้วก็อย่าไปเชื่อมันเท่านี้โลกนี้มันโกงถ้าใครบอกว่าสวรรค์ไม่มีนะโลกไม่มีแล้วก็วมันมีเพียงแต่ว่าเรายังอาจจะมองไม่เห็นแต่คนที่มีคนที่เขาเห็นแล้วเขามาบอกเราแล้วมีคือพระพุทธเจ้าพระหลานตสาวกทั้งหลาย เราก็ต้องใช้ความจริงมามามาแก้ความมาเห็นผิดไปเท่านั้นเองค่ะคำถามจากคุณชนาพัฒนค่ะกลาบขอบความรู้เพิ่มเติมจากพระอาจารย์เจ้าค่ะโยมอยากทราบว่าจิตกับใจมีความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะคนเดียวกันตัวเดียวกันเพียงแต่ว่ามันทาสองหน้าที่คิดด้วย คือหน้าที่คิดแล้วก็หน้าที่รู้เราเราก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเราก็เลยบอกเวลาทำหน้าที่รู้เราก็เรียกว่าใจเวลาทำหน้าที่คิดเราก็เรียกว่าจิตทั้งแต่เป็นคนเดียวกัน응 คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะหลวงพ่อคะตอนนี้หนูมีความคิดว่าอยากจะบวชเพราะอยากจะได้เครื่องช่วยกั้นตัณหาเพราะหนูเป็นคนบิกิเลตตัวนี้มากเวลาอยู่บ้านเราก็สบายเพราะไม่มีอะไรช่วยหยุดทันเลยอยากจะไปต่อทางนี้จะดีไหมคะดีก็เป็นทางที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ไปกันถ้าเราต้องการจะละความอยากการบวชนี่ เ, เป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะสามารถทาให้เราหยุดความอยากต่างๆได้หมด คำถามจากผู้สอบถามทาง YouTube เมื่อกี้นะคะเขาขยายความว่ากายทิปที่ผมหมายถึงก็คือที่ที่ผมมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมเบาสบายผมอยู่กับสิ่งนี้นะคะถูกต้องไหมคะถ้ามันไม่ทุกข์มันไม่วุ่นวายใจก็ถูกถ้าใจมันสง บ, บ, สบคำถามจากคุณปรีชาค่ะ การปล่อยเงินกู้ร้อยละ10 บ, บาทเพ่อช่วยเหลือเพื่อนด้วยกันแบบนี้จะบาปไหมครับเท่าเทียมกันเท่าเทียมกับร้อยละยีสิบไหมครับคือถ้าเราเรียกผลตอบแทนสูงก็แสดงว่าเราโลภมากหรือน่าเลือดมากถ้าเราคิดค่าตอบแทนน้อยก็แสดงว่าเราโลภน้อยอเราไม่น่าเลือดมากหรือเราจ่ายบุญบางทีให้ยืมโดยที่ไม่คิดดอกเลยก็ได้อย่างนี้ก็เรียกว่า เป็นคนที่มีความเมตตามีคนใจบุญหรือให้กู้แล้วก็ไม่หวังเอาคืนด้วยยิ่งยิ่งดีเพราะถ้าไปหวังเอาคืนเวลาเขาไม่คืนก็จะทุกข์ใจเสียใจได้เห็นถ้าปล่อยกู้ถ้าเพื่อความสบายใจก็อย่าไปหวังเอาคืนคิดว่าช่วยเหลือกันไปก็แล้วกันถ้าเ้าจะคืนก็คืนถ้าเ้าจะไม่คืนก็ถือว่าเป็นการทำบุญไปหรือถ้าเราต้องการเอาคืนเราก็ต้องให้เ้าวางหลักทรัพย์ไว้ เช่นเอาของที่มีค่าเช่นมีที่ดินก็ให้เข้ามาวางที่ดินไว้แล้วค่อยเอาเงินไปอย่างนี้เราก็มีทางที่จะได้ได้เงินคืนอยู่แต่เรื่องการเรียกค่าตอบแทนนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราเหมือนขายของอ่ะเราจะขายของให้มันราคาสูงก็ได้ราคาต่าก็ได้แล้วแต่เราเราต้องการกำไรมากเราก็คิดดอกมากถ้ากำไรน้อยเราก็คิดดอกน้อย ถ้าเราต้องการบุญเราก็ไม่คิดดอกเลยคิดว่าเป็นการทำบุญทำทานเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนไปคำถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะเราจะแยกจินตมยปัญญากับภาวนามยปัญญาออกจากกันได้อย่างไรครับออจินตมยปัญญาเป็นความคิดที่ไม่มีไ ม, มไม่มีอุเบกขาเป็นเครื่องสนับสนุนคือไม่มีกาลังที่จะหยุดกิเลสได้ จภาวนาม่าญาปัญญานี่ก็เป็นความคิดอันเดียวกันแต่มีจิตมีอุเบกขามีกำลังที่จะหยุดความอยากได้หยุดกิเลสได้คำถามจากทาง a ฟ e b o o k ค่ะการสร้างศาลาประดิษฐานพระพุทธรูปมีอันนี้สองอย่างไรครับศาลามีไว้เป็นที่<ม>ทำประกอบกิจกรร ม, มเช่นไหว้พระสวนมนต์รับประทานอาหารของพระสงฆ์องค์เจ้าหรือประกอบพิธีทางศาสนา มันก็ได้มันก็เป็นเป็นทาวลวัตุอย่างหนึง่งก็เป็นทานเป็นการทำบุญทำทานอย่างหนึง่งอันที่สองก็คือก็จะได้ไปสวรรค์จากการทำบุญทำทานอย่างนีง้คำถามจาก y o u t u ด็อตอร V วีค่ะขอโอกาสถามเจ้าค่ะเคยมีไหมคะที่คนเข้าถึงฌานได้โดยไม่นั่งสมาธิก็ พระพุทธเจ้าตอนที่เป็นเด็กท่านก็ไม่ได้นั่งสมาธิท่านนั่งเฉยๆอยู่ในปา่าอยู่ใต้โคนต้นไม้ตามลําพังไม่มีใครมารบกวนว่นั่งอยู่คนเดียวใจก็ว่างได้ใจก็เข้าฌานได้แต่ต้องเคยมีเคยเข้าฌานมาได้ก่อนถ้าไม่เคยเข้าฌานมาได้ก่อนนี้นั่งยังไงคนเดียวก็ไม่เข้าหรอกเพราะนั่งคนเดียวแล้วมันจะเหงามันอยากจะหาคนนั้นคนนี้มาเป็นเพื่อน หรืออยากจะเปิดมือถือหรืออยากจะทำอะไรมันก็จะเข้าฌานไม่ได้แต่ถ้าคนที่เคยเข้าฌานนี้เขาก็เคยอยู่เฉยๆได้พอไม่หิวไม่ต้องการรูปเสียง ก, กลิ่นรสอะไรต่างๆพอไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสเข้ามาทางทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของเขาก็เข้าข้างในได้เข้าฌานได้แต่ต้องเป็นคนที่เคยเข้าฌานมาแล้วถึงจะทำได้คำถามจากคุณชมชนกค่ะ สถานที่โยมทำงานเป็นที่บ้านวันพระโยมจะถือศีลแปดซึ่งงานก็ยังต้องทำบุญก็อยากจะได้จิตสงบบ้างไม่สงบบ้างในวันที่ถือศีลแปดพอจะได้บุญบ้างไหมเจ้าคะได้ก็ได้ได้ไ ด, ได้ได้ตัดกำลังของความอยากลงอยากจะกินข้าวเย็นก็ไม่ได้กินอยากจะดูหนังฟังเพลงก็ไม่ได้ดูมันก็เป็นการตัดกำลังของกิเลสให้มันน้อยลงไปแต่มันไม่ตายจากการรักษาศีล ถ้าอยากให้มันตายต้องไปภาวนาต้องเข้าสมาธิเข้าฌานแล้วเวลาออกจากสมาธิมาก็ต้องใช้ปัญญาฆ่ามันอีกทีค่ะคำถามจากคุณดิมเปิลค่ะคนที่ทำบุญรักษาศีลอยู่เนืองๆทำสมาธิแต่ยังไม่ลงสู่ความสงบโอกาสที่จะไปสู่อบายภูมิยังมีอยู่ลูกเข้าใจถูกหรือไม่เจ้าคะถ้ายังไม่ได้เป็นผ้ารียาบุคคล น, นี้โอกาสจะไปทาบาปยังมีอยู่าบางเวลาอาจจะเกิด รู้กแก่โทสะรู้กแก่โมหะขึ้นมาแล้วขาดสติไม่สามารถยับยั้งก็อาจจะไปทำบาปได้แต่ถ้าเป็นพระอรียะบุคคลแล้วท่านมีสติตลอดเวลาที่สามารถที่จะยับยั้งการกระทำบาปได้ทุกเวลานาทีค่ะดล้ยังมีอีกคำถามไหมถ้าถามไปเรื่อยๆท่านมีก็ถามไปเรื่อยๆไม่เป็นไรจากทางเฟซบุ๊กค่ะ ถ้าพระอาหารหันต์ไปนิพพานกันหมดแล้วจะมีใครมาสอนธรรมะให้คนที่ยังไม่หมดกิเลสคะอ่าไปหมดแล้วก็มันก็ไม่มีใครแล้วสิถ้าไปหมดแล้วจะมีใครถ้าไปหมดแล้วก็ไม่ต้องสอนใครแล้วค่ะตอนนี้ยังไม่มีคำถามคะ่ะหนในใ น, ในถามคาถามเมื่อกี้ใหม่ที่อาจจะเข้าใจผิดก็ได้เพราะว่าอย่างไรถามว่าถ้าพระอาหารหันต์ไปนิพพานกันหมดแล้ว จะมีใครมาสอนธรรมะให้คนที่ยังไม่หมดกิเลสคะก็ต้องรอพระพุทธเจ้าคนใหม่มาตัดจะรู้เช่นยุคที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญก็ไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้พระพุทธเจ้าเองเลยต้องหาทางไปสู่พานิพานด้วยตนเองพอท่านพบทางแล้วท่านก็มาสอนคนอื่นต่อได้แต่ในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าช่วงนั้นก็เป็นยุคบูดบอดจ้าไปนิพานกันเองไม่ได้เพราะไม่มีความสามารถพอ ต้องรอให้มีพระพุทธเจ้ามาตัดสัรู้ก่อนแต่พวกเราโชคดีตอนนี้เรามีทางมีพระ ม, มีพระพุทธเจ้าหรือมีตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระอรหันต์คอยสอนอยู่งั้นเราอย่าอย่าประมาทให้รีบเอาเวลาที่มีคุณค่าประโยชน์นี้มารีบปฏิบัติกันเพราะโอกาสหน้ากลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่มีพระอรหันต์พระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ต่อไปแล้วก็ได้ คำถามจากทาง a c e b o o k ค่ะถ้าเราจะเดินทางธรรมและทางโลกไปด้วยเพราะต้องทำมาหากินแบบนี้จะได้ไหมครับมันก็จะไปไปคนละครึ่งไงรัฐบาลก็มีโครงการคนละครึ่งเราจ่ายครึ่งรัฐบาลจ่ายครึ่งก็ไปทางโลกก็มันก็ไปทางใต้ไปทางธรรมก็ไปทางเหนือมันก็ขึ้นขึ้นลงลงขึ้นไปทางเหนือ1ิกิโลแล้วก็ย้อนกลับลงมาทางใต้10กิโล มันก็ไม่ได้ไปไหนมันก็อยู่ที่เดิมคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะตอนนี้พ่อป่วยเราปฏิบัติธรรมแผ่บุญให้เจ้ากรรมในเวรของท่านได้ไหมคะไม่ได้หรอกมันเจ้ากรรมในเวรเขาเขาก็จะตามเอาจองเวนจองกรรมไปเรื่อยๆจนกงกาจะเขาจะได้ทาตามที่เขาต้องการแล้วเขาถึงจะหมดเวรหมดกรรมกันไป คำถามจากยูทูบพระอาจารย์สุชาติค่ะจะเข้าฌานเริ่มต้นยังไงคะพุโทโธพุโทโธพุทโธนะเริ่มต้นนั่นแหละลืมตาขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆอยากคิดอะไรถ้าไม่มีเรื่องที่อยให้ต้องคิดก็อยากคิดถ้ามีเรื่องให้คิดก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวแล้วคิดให้พอคิดให้เสร็จคิดเสร็จแล้วก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อแล้วเวลามีเวลาว่างก็นั่งหลับตาแล้วก็นั่งพุโทโธต่อไปเดี๋ยวก็เข้าฌานได้ <c oughs> หมดแล้วเลย อ, อีกคำถามหนึ่งค่ะคำถามจากทาง u ูทูบค่ะทีมงานที่ช่วยเผยแพร่ธรรมะจะได้อ น, นิสงบญเยอะไหมครับก็ได้ธรรมทานไงช่วยช่วยเผยแพร่ธรรมะการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงให้ธรรมะดีกว่าให้เงินทองเพราะเงินทองเอาไปใช้ดับทุกทางร่างกายได้เพียงอย่างเดียวเอาไปดับทุกทางใจไม่ได้